พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องพระสูตรที่เจวัตถุปมาสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกาเษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเหล่าภิกษุเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปเปื้อนใส่ลงในน้าย้อมสี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 ทุกคติมีสองอย่างคือหนึ่งปฏิปฏิปฏทุกคติหมายถึงคติคือการปฏิบัติชั่วด้วยอำนาจกิเลสแบ่งเป็นสองอย่างได้แก่อาคาริยปฏิปฏิปฏทุกคติคือทุกคติของเขารือหัสผู้มีจิตเศร้าหมองฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติอุศลกรรมบทสิบและอนาคาริยปฏิปติทุคติ คือคติของบรรพชิตผู้มีจิตเศร้าหมองตะเกียกตะกายทําลายสงทําลายเจดีประพฤติอนาจารย์ 2. คติทุกขติหมายถึงคติหรือภูมิเป็นที่ไปอันเป็นทุกข์แบ่งเป็นสองอย่างได้แก่อาคาริยะทุกขติคือคติของขา้ารหัสผู้ตายแล้วไปเกิดในนรกบ้าง กำเนิดสัตวิราชานบ้างเปรตวิสัยบ้างและอนาคาริยะทุขติคือทุขติของบรรพชิตผู้มรณะภาพแล้วไปเกิดในนรกเป็นต้นเป็นสมณายักษ์เป็นสมณ เ, เปรตมีกายลุกโชดช่วงเพราะผ้าสังคาติเป็นต้นสุขติมีสองอย่างคือหนึ่งปฏิป ต, ปติสุขติ หมายถึงคติคือการปฏิบัตดิดีด้วยจิตบริสุทธิ์แบ่งเป็นสองอย่างได้แก่อาคาริยะปฏิปฏัติสุขติมีจิตบริสุทธิ์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์บ้างจากการลักทรัพย์บ้างบำเพ็ญกุศลกรรมบทชสิให้บริบูรณ์อานณาคาริยะปฏิปติสุขติคือสุขติของบรรพชิตผู้มีจิตบริสุทธิ์ รักษาปาริสุทธิ์ที่ศีลสีให้บริสุทธิ์สมทานทุดง13ข้อเรียงกรรมฐมานในอารมณ์38ประการกระทากสินบริกรรมทำฌานสมบัติให้เกิดขึ้นเจริญโซดาปฏิมักไปจนถึงอนาคามีมักสองคติสุขคติหมายถึงคติหรือภูมิเป็นที่ไปอันเป็นสุขแบ่งเป็นสองอย่าง ได้แก่อาคาริยะสุขติคือสุขติของเคารืหัดผู้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูงมั่งคั่งด้วยทรัพย์เพียรพร้อมด้วยเกียรติยศบ้างเป็นเทวดาที่มีศักย์ใหญ่บ้างและอนาคาริยะสุขติคือคติของบรรพชิตผู้มรณะภาพแล้วไปเกิดในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และตระกูลขหบดี หรือไปเกิดในกาาวาจรเทวโลกหชั้นบ้างในพรหมโลกส0บชั้นในสุทธาวาดภูมิหชั้นหรือในอรุปพรมสชั้นบ้างอุปกิเลสแห่งจิต16ชนิดอุปกิเลสหมายถึงกิเลส ท, ที่จอนมาด้วยอำนาจโลภะโทสะและโมหะและธรรมจิตเดิมคือภวังคจิต ที่แม้ปกติก็บริสุทธิ์อยู่แล้วให้ต้องเศร้าหมองภิกษุทั้งหลายอุปกิเลถแห่งจิตอะไรบ้างคือ 1. อภิชาวิสมะโลภะความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น 2. พยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่น 3. โกทักความโกรธ 4. อุปนาหะความหูโกรธ 5. มัคขะความลบหลู่คุนท่าน 6. ปบลาสะความตีเสมอ 7. อิสสาความริษยา 8. มัชริยะความตรณี 9. มายามานยา 10. ส, สาเทยะความโอ้อวดสิอด ธรรมภความหัวดือ้อส2สารำัมภะความแข่งดี 13. มานะความถือตัว 14. บอติมานะความดูหมิ่นเขา 15. มาทัทธะความมัวเมา 16. ประมาทะความประมาท พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถึงอุปปกเเลทีละชนิดมีในยะเหมือนกันจากข้อ1 1 6ถึงดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้ชัดถึงดังนี้ว่าอภิชาวิสมะโลภะความโลภเพ่งแรงอยากได้ของผู้อื่นเป็นอุปปกเเลสแห่งจิตแล้วจึงรับอภิชาวิสมะโลภะอันเป็นอุปปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดว่าพยาบาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิต แล้วจึงละพยาบาทอันเป็นอุปากิเลส์แห่งจิตได้รู้ชัดถึงโกทักคือความโกรธรู้ชัดถึงอุปนาหะความผูกโกรธมักคะความลบหลู่คุณท่านปลาศความตีเสมออิ ส, สาความริษยามัชริยะความตรนีมายามานยาสาเทยะความโอ้อวดธรรมภักความหัวดือ้อ สารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามาทะความมัวเมาปมมาทะความประมาทรู้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปเกิเลสแห่งจิตและจิงละสิ่งเหล่านี้ได้ในการนั้นภิกษุนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ พระสงฆ์ในที่นี้คือผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่บรรลุคือสมมุติสงค์เพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยลักสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีปราโมทแล้ว ปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะว่า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 จึงได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะเมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้ มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบินทบาดข้าวสาลีที่เลือกของศกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบินทบาดของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มักและผลเลยผ้าที่ศพกรกเปรงเปือ้อยจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคา จะเป็นทองคำบริสุทธิ์ปุดผ่ดองได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบินทบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการสันบินทบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแกมรรคและผลเลย ภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศ ท, ที่หนึ่งทิศ ท, ที่สองทิศ ท, ที่สามทิศ ท, ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีการุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิต แผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งสองสามสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตมุทิตาจิตด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหักตะตไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่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 ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้อาบน้ำสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในการอาบน้ำในพระศาสนาในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะภารัวาชะ นั่งอยู่ไม่ฆลายจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ําพาหู ก, กาเพื่อส่งน้ําหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม่น้ําพาหุ ก, กาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ําพาหุ ก, กาจะทําอะไรได้สุนทริกะพารัตถวชาพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดม คนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ําพาหูกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ําพาหูกาเป็นบุญสถานอันหนึ่งคนจํานวนมากลอยบาป ก, กรรมที่ตนทําแล้วในแม่น้ําพาหูกาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกษ์ภารัตวาชาพรามด้วยพระคถาว่าคนพานมีกรรมชั่ว แม้จะไปยังแม่น้ําพาหูกาท่าน้ําอธิกกะท่าน้ําขยาแม่น้ําสุนทริกาแม่น้ําสรัสดีท่าน้ํำปยาคะและแม่น้ําพาหุมดีเป็นประจําก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ําสุนทริกาท่าน้ํำปยาคแม่น้ําพาหูกาจะทําอะไรได้จะพึงชําระคนผู้มีเวรผู้ทํากรรมยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภักคุณเลิกหมายถึงงานนักกัตรเเลิกประจําเดือนสีที่พราหมณ์ถือว่าผู้ที่ชํารักหรืออาบน้ําวันข้างขึ้นเดือนสีได้ชื่อว่าชําระบาปที่ทำมาแล้วตลอดปีได้ภักคุณเลิกเป็นเลิกดีทุกเมื่อสําหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถ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 ท่านจะไปอย่างท่าน้ําขยะทาไมแม้การดื่มน้ําจากท่าน้ําขยะจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วสุนทริกาพารัตถวาชัพราหมณ์ได้กราบทูลชื่นชมพระพาสิทธประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาค ไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานานักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่าคุลบุตรออกจากเครือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระพารัตวาชได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละจบวัตถุปมาสูตรพระสูตรที่เจจากพระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสอง